หนึร้บะพินใช้ปลายมีดโบวี้ด้าม ง, งาอันเดิมของเขาซึ่งแท้ที่จริงมันก็คือมีดที่ลงอาคมไว้ค่อยๆ ย, ยื่นเข้าไปใกล้ใบของมันใบหนึ่งอันเคลื่อนร่อนอยู่ใกล้ๆตัวเขาสิ่งที่พอจะสังเกตได้ชัดก็คือปลายมีดยิ่งเข้าไปใกล้มันเท่าไรมันก็ยิ่งเบนก้านพละหนีห่างออกไปเท่านั้น เหมือนจะมีอะไรมาฉุดดึงรั้งให้ถอยหนีจนมองเห็นก้านของใบโก่งงอขณะที่มันเบนหนีออกไปจนสุดทางเท่าที่มันจะหนีได้เมื่อเขายื่นปลายมีดค่อยๆไล่เข้าไปพอแตะกระทบเข้ากับใบเท่านั้นลําต้นของว่านต้นนั้นก็สัานชูขึ้นทั้งต้นราวกับมีมือมาจับขยำสองเบาวนาย ผู้ต่างทันกันในด้านอาคมไสยเวทมองตากันอีกครั้งรพินพยักหน้าให้ดวการของต้นและใบว่านเหมือนจะเตือนให้บุญคำเร่งสำนึกตนว่าอย่าเอาแต่ขนองอวดดีจนเกินเลยเถิดไปนักบุญคำทําเสียงห <c oughs> ึในลำคอท่าทางแกไม่ได้สะเทือนขวัญสยองกลัวใดๆทั้งสิน้นปลดกระดุมกางเกงออกแอนชีรถต้นว้านอย่างหน้าตาเฉย ปากก็หมุบมิบหมุบมิบท่องอะไรอยู่อย่างชนิดไม่มีเสียงลอดออกมาพอปัสวะสุดแกก็เขย่าวเครื่องเคราให้เสด็จน้ำอย่างใจเย็นแล้วเก็บเข้าที่ตามเดิมหันกลับมายิ้มอวดฟันหน้าหลอกับเจ้านายผู้ยืนดูอยู่เงียบเงียบเก่งนี่เขาบอกมาเสียงต่ำโอ๊ยนายลูกศิษย์พรานที่ชื่อระพินไม่เกง่ง เสียชื่อเจ้านายหมดสิแกแยกเขี้ยวยิ้มอยู่ในลักษณะเดิมนายยืนคุมหลังให้อยู่ทั้งคนอะไรมันกระทำก็บุญคำได้ก็มันรู้ไปสําคัญคือ น, นี่นายอย่าจับไข่ได้ป่วยซะก่อนเท่านั้นแหละเอ้าก็บุญคำนะไปท้าทายเขาก่อนนะนี่เป่าท้าก็แค่อวดของดีแม่นางดูเท่านั้นแหละ ว่าของไอ้คำนีะยังไม่เหี่ยวแล้วก็ยังฉีดน้ําได้ไกลเสด้วยบอกแล้วไงว่าไอ้คำนี่ยจะให้น้ำกับแม่โฉูงามทั้งหลายนี่นายก็เล่นเอาปลายมีดหมอไปแย่งั้นไม่ถูกหรอกดูดิแม่โฉงงามกลัวกันจะตัวสั่นไปหมดแล้วนี่ต้องทำอย่างบุญคำเนี่ยเขาถึงจะชอบใจนี่เมื่อกี่ว่าใจช่วยอะไรยังพูดค้างไว้เลยนายก็รู้ ว่าบุญคำพูดแกเปรี้ยวปากไปงั้นเลไม่ได้คิดลามก อ, อปรีจเจ้าผีสางแ ม, ม่นางโก้งอะไรที่ไหนมาเล่นสับ ป, ปะดนด้วยรอกคืนนี้บุญคำไม่ห่วงอะไรพวกเราเพราะถึงยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่เป็นห่วงพวกเจ้านายฝรัง่งไก้พวกลูกหาบทั้งหลายถ้าพลาดพลั้งลงไปมันก็ลำบากลำทังนายไอ้คำสองคนคงมีที่เผลอมั่งใครจะมานั่งทางตาเฝ้ายามอยู่ได้ทั้งคืน แมมเบลก็ไม่สบายต้องนอนให้น้ำเกลือแมมคริสจะแข็งแรงแค่ไหนวันนี้ก็ดูป่อแป้เต้นทีแล้วยังไม่รู้ว่าตกดึกพวกเจ้านายทั้งหลายใครจะเคยเกิดจับไข้ไม่สบายขึ้นมาอีกมั่ง้าร่างกายจิตใจไม่แข็งแรงแต่อย่างเดียวก็ทำให้มันมาครอบงมได้ง่ายขึ้นบุญคมพูดเป็นงานเป็นการขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องนี้หรอกลตะตาคำ ที่ฉันด่ากัอยู่อะว่ามาตั้งแคมป์ตรงนี้ทำไมอ่ะระพินเริ่มห ง, งุดหงิดขึ้นมาอีกเพราะว่าอันที่จริงตาเท่าสมุนขวาของเขาก็แสนรู้ไปสารพัดยกเว้นแต่แกล้ ง, งโง่เท่านั้นนายบุญคำกำลังจะบอกนายอยู่นี่ไงของอะไรในโลกนี้มันมีสิ่งที่แก้กันได้ทั้งนั้นแหละตอนที่สั่งให้ตั้งปางทะากองนี้ย บุญคำลงมาตรวจที่นี่ก่อนแล้วถึงจะมีดงหว่านผีปอบอยู่ที่นี่มันก็มีของที่แก้กันได้อยู่ไม่ห่างออกไปนักรอกถ้าเราได้มาก็สบายคืนนี้มันไม่มีวันเข้าไปในอาณาบริเวณปางพักได้เลยอย่างมากก็แค่มาป่นเปลี่ยนอยรอบนอกหนังก็เครื่องในของเลียงถาบุญคำสั่งให้เอามาทิ้งล่อมันไว้ตรงเชิงเนินที่พักของเรา ให้มันแห่กันไปกินของสดสดขาวๆที่นั่นไงพรานใหญ่ขโมดคิ้วนี่ฉันยังไม่รู้เลยนะว่าที่พูดอย่างเงี้ยบุญคำหมายถึงอะไรแ่ฉุดข้อมือเขาเหน้านายตามบุญคำมาดิพอเห็นนายก็รู้เองแหละฮะแรกบุญคำจะจัดการเองก่อนแหละแต่อาคมบารมีของบุญคำนะ่ะไม่ถึง ต้องรอยนายที่เป็นคนทําพิธีบุญคําไม่ลูกมือเองอะไรของเงี้วันนี้ตะคําก็บอกมาสิว่ามันเป็นอะไรเขาร้องมาเบาๆในขณะที่ยังเดินตามหลังโดยการจูงข้อมือไม่ยอมปล่อยของบุญคําแลาะลัดดงว่านร้ายกลับออกมาทางเดิมแต่อดีตพรานใหญ่แห่งเขาอึง้งครึมบอกสั้นๆอยู่ประโยคเดียวอะเฮนะเหนะเช่นนั้น จนกระทั่งล่วงพ้นออกมาจากดงว่านและเห็นเกิดกระเรยกำลังนั่งยองๆรอคอยอยู่ริมดงตามเดิมเจ้าพระหนุ่มทั้งสองพอเห็นเจน้านายกบุญคำเดินกลับออกมาก็รีบลุกขึ้นยืนทันทีเฮ้ยไอสองคนนี่เองกลับขึ้นไปบนปางพักได้แล้วเลยเดี๋ยวพรานใหญ่ก็ฆ่าสองคนนี่จะตรวจดูอะไรแถวๆนี้สักเดี๋ยวน่แล้วเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปไม่ต้องห่วงหรอก เกิดกระเซยทำหน้าตื่นงงๆรีรรออยู่ในขณะที่บุญคําบกมือไล่ทั้งคู่ยังไม่ยอมขยับขยื่นระพิงจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วพยักหน้าบอกกลับขึ้นไปเถอะทำตามที่สั่งะหันหน้ามองไปตั้งไปตรงที่ตั้งปางพักของเราก่อนนะอย่าเปลี่ยนไปมองทางด้านอื่นน่ะเดินจากนี่ให้ถึงที่นั่นเป็นเส้นตรงเลย ระยะมันก็ใกล้ๆแค่นี้เองไม่ต้องเหลี้ยวกลับมาอีกและตลอดระยะเวลาที่เดินก็ไม่ต้องพูดอะไรกันถ้าเห็นภาพอะไรขวางหน้าก็รู้ว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาอย่าไปสนใจให้เดินอย่างเดียวจนถึงที่ภาวนาไปแค่ห้าคำระหว่างที่เดินนะโมพุทธายะห้าคำเนี่ยภาวนาไปจาไว้ เจ้าพรานเด็กหนุ่มของเขาทั้งคู่ขนลุกชันขึ้นมาทันทีมองตากันเองหลอกแหลกแล้วเปลี่ยนมาจับอยู่ที่เขาระพินตบไหล่ทั้งคู่เบาๆเฮ้ยอย่าปอดแหกไม่เข้าเรื่องดิมันไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าที่เราพบกันมาแล้วหรอกไอที่ให้สวดมนเดินไปก็เพื่อให้คุมสติให้ได้เท่านั้นแหละปางพักของเราก็เห็นอยู่ทนท้อแค่นี้เองตะวันก็ยังไม่รับปลาทําทตามที่สั่งแล้กัน ขณะนั้นแดดผีตากผ้าอ้อมสาดแสงสุดท้ายแดงต่ำลงมาราวกะสีโกเมนอาบไปทั่วบริเวณเกิดและเสยบังเกิดอาการตะครั้นตะครอขึ้นมาทันทีเอามือลูกแขนขยี้แรงๆขณะที่ยิ้มแย้แย้ออมแอมจะขออยู่ร่วมด้วยแต่ระพินสันศีรษะเฉียบขาดทั้งคู่จึงหันหลังกลับปฏิบัติตามคาสั่งอย่างเคร่งครัด โดยตาจับมองไปยังปางพักที่มองเห็นอยู่บนเนินสูงมีกลุ่มควันที่ก่อไว้ลอยขึ้นมาตลอดจนเงาของพวกลูกหาบที่อยู่ในระหว่างทํางานเดินกันอยู่ควักขวพร้อมกับก้าวเดินออกไปโดยไม่ยอมเหลี้ยวมองไปทางด้านใดทั้งสิ้นเป็นการเดินเคียงคู่กันลักษณะเรียงแถวหน้ากระดานระพินกบุญคายืนมองตามหลังเจ้าพรานเด็กหนุ่มทั้งสองไปชั่วขณะ เอาละนว่าจะพาไปดูอะไรไงบุญคำยังคงมองตามหลังไอเด็กหนุ่มสองคนไปอยู่เช่นนั้นปากก็บอกมาเบาๆอย่างเป็นห่วงว่านายไอเกิดก็ไอเซยนะพันษาเรื่องพันนี้มันยังอ่อนอยู่มากนะนายโดยเฉพาะไอเซยนะใจมันยังไม่แข็งนักคราวก่อนก็โดนดีที่หมู่บ้านก็เรียงผีสิงทีนึงละผีอียขินเอาสักเกือบตาย บุญคำว่านายวิทยุขึ้นไปบอกไอ้จันนี่มันคอยออกมายืนจับตามองไอ้สองคนนี่ตอนที่มันเดินไปดีกว่าสั่งให้จันไว้ด้วยว่าถ้าเห็นไอ้สองคนน่ะเดินเวียนหรือเดินเลี้ยวไปทางอื่นก็แล่นลงมารับลากตัวกลับขึ้นแคมป์ไว้ด้วยเลยเราสองคนมัวไปทําธุระกันอยู่คงจะมองตามันไปไม่ได้ตลอดรอกนายระพินชำเลืองดูหน้าบุญคำ เพิ่งจะเห็นแกพูดเป็นกิจจลักษณะเอาเดี๋ยวนี้เองแล้วเขาก็เห็นด้วยดึงวิทยุขึ้นมาจัดเอวกดคีย์แล้วกรอกคำพูดเรียกขึ้นไปบนแคมป์วิทยุของเขาคงจะไปเข้าเครื่องของฝ่ายนายจ้างและจะขอให้จันเป็นผู้มาพูดกับเขาภายหลังจากเรียกซ้ำๆไปสี่ห้าครั้งรพินเริ่มสะดุ้งใจยังไงบอกไม่ถูกทดลองกดคีย์ช่วงสั้นๆอยู่ทีที แล้วทดลองเร่งวอลลุ่มกับเพิ่มสเกวปรากฏว่าวิทยุในมือของเขาไม่ปรากฏสเนียงเสียงใดแวววออกมาเลยแม้แต่คลื่นอากาศทำไมล่ะนายวิทยุมันเป็นอะไรไปบุญคำถามมาเร็วปรือบะเอาเขาแล้วไงก็เมื่อกี้นี้ในดงว่านมันยังรับส่งได้ดีอยู่เลยเนี่ไหนเอาของบุญคำมาดิ มีประจําตัวอยู่เครื่องหนึ่งไม่ใช่เหรอตาเท่าหน้ายุ่งรีบควาวิทยุที่ได้รับแจกประจําตัวออกมาจากภาคเามากเกียนพุงแล้วส่งให้เขา ท, าทันทีระพินเปิดสวิตเร่งระดับเสียงเต็มที่และทดลองหมุนปุ่มสควนเผื่อว่าจะได้ยินเสียงลั่นโคร่ครากบ้างแต่ผลมันก็เป็นอย่างเดียวกับเครื่องของเขาบอดสนิทสภาพของมันเหมือน่านหมดหรือมีพลังงานอะไรชนิดหนึง่ง ที่เข้ามาควบคุมไว้ไม่ให้ทั้งภาครับและภาคส่งทำงานได้เลยแม้แต่นิดเดียวมันจะต้องเป็นอุบัติการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่อึดใจนับตั้งแต่เดินออกมาจากดงว่านนี่เองเขาทดลองกดคีย์เครื่องของบุญคําและลองเรียกไปที่สตาลีอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเช่นเดียวกับเครื่องของเขา บุญคำขยับปากจะพรุษสว่าออกมาแต่รพินเตะหน้าแข่งแกซะก่อนปล่อยเขาก่อนบุญคำอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรเลยประเดี๋ยวฉันจะจัดการให้วิทยุใช้ได้เองนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่สิงสถิตอยู่ในนั้นมีอิทธิพลบ่สมควรเหมือนกันตอนนี้อยู่ในระหว่างการขอทดสอบลองของเราบุญคำเนะ่ยเยี่ยวรถเขาได้ เขาก็ทำให้วิทยุของเราบอดไปชั่วขขณะเหมือนกันแต่ทำได้ไม่นานหรอกส่วนเรื่องไอ้สองคนเดินกลับแคมป์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงรับรองว่าเดินกลับได้โดยปลอดภัยทําไมไปสะดุดตอไม้แล้วลืมคาถาที่ท่องไว้ก่อนอา้านายแล้วถ้าทางโน้นเรียกมาละนายนายว่าวิทยุของพวกเราทางโน้นจะเสียด้วยไหมเนี่ยของพวกเราส่วนใหญ่บนแคมป์คงไม่เป็นอะไรหรอก เพียงแต่ว่าถ้าเขาเรียกลงมาเราก็ไม่ได้ยินเท่านั้นมันก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเรียกลงมาแล้วนายไม่ตอบขึ้นไปพวกเขาไม่สงสัยกันแย่หรอือดีไมด่ดีเกิดลงมาตามก็วิ่นนะที่มไม่ต้องห่วงหรอกยังไม่มีใครมีธุระเรียกมาตอนนี้หรอกบอุญคำจะพาไปไหนก็ไปแต่ยัยเสียเวลาชักช้านักแล้วกันมือขวาของระพินหันไปจ้องดูดงว่านอาถันอีกครั้ง ซึ่งบัดนี้แดดใกล้สนธยาอาบไว้ดูแดงฉานราวกบป่าเลือดทำปากหมุกหนิบเหมือนจะฆ่าโทษไว้แล้วพยักหน้ากระเขานำออกเดินเลาะลัดไปตามขนทางอันเป็นที่ลุ่มต่ำลงไปอีกระหว่างกอวัชพืชแห้งตายซากตรงไปยังหนอหินหมู่หนึ่งลักษณะเป็นรูปกรวยยอดแหลมเหมือนพีระมิดที่มองเห็นงอกอยู่เรียงรายสามยอด ปรากฏอยู่กลางพื้นที่ราบโล่งยอดใหญ่ที่สุดที่สูงประมาณไม่เกินสามเมตรเป็นหมู่หินเตี้ยๆ เ, เล็กๆพอรับมุมยอดหินก้อนที่สูงสุดในหมู่สามก้อนอันงอกขึ้นมาจากพื้นดินปนทรายบริเวณ น, นั้นกระพินไทยวันก็ชะงักจ้องตะลึงไปยังพืชอะไรชนิดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นกอย่อมย่อมอยู่ใจกลางวงล้อมสามเส้าของก้อนหิน เขาดูเหมือนจะเข้าใจและได้คำตอบอย่างปรุกโป่งแล้วในสิ่งที่บุญคำพูดเป็นในในไว้ก่อนลักษณะลำต้นและใบของพืชชนิดนั้นมันเหมือนกับพืชล้มลุกที่เรียกกันว่าต้นไพลทุกอย่างเพียงแต่ว่าทุกส่วนสัตว์ของมันดำสนิทรากับใครเอาหินสีดำมาแกะไว้แล้วนำมาประดับ ต, ตั้งยังบริเวณซอกหินนั้นไม่เพียงแต่ลาต้นหรือใบ แม้แต่พื้นบริเวณรอบด้านในปริมณฑลประมาณหนึ่งตารางวาอันเป็นตำแหน่งที่ขึ้นเป็นกอเล็กๆนั้นก็ล้วนเป็นสีดำไปหมดและดูแข็งแกร่งปานหินผาทั้งทั้งที่ตำแหน่งนั้นน่าจะเป็นดินใช่พลยดำระพินรีตาพินิษ์อย่างรอบคอบระมัดระวังที่สุดสิ่งอันอาถรรพ์เหนือโลก ซึ่งอยู่ในลักษณะสมุนไพรพืชล้มลุกชนิดนี้ในชีวิตบุปปาฟ้าดงของเขาเคยพบเห็นมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งและก็เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในหุบเหวใจกลางเทือกเขาตนาวสียุคที่ยังอยู่ในวัยรุ่นติดตามครูพรานนานไพรเข้าไปศึกษาสำรวจเกี่ยวกับเส้นทางเดินของเหล็กไหลบรมครูเท่าของเขาในครั้งนั้นได้นาเขาไปพบพลา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 แต่ปรากฏว่าครบสิ้นสามวันสามคืนที่เขาทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์ปรนิบัติอยู่ระหว่างนนานไพรเข้าพิธีกรรมก็ไม่ปรากฏว่าหนานไพรจะสามารถขุดดินบริเวณที่ต้นไพรขึ้นอยู่นั้นได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวเนื้อดินแข็งแกรง่งเหนียวแน่นจะยิ่งกว่าทำด้วยเหล็กซะอีกเมื่อใช้ปลายมีดอาคมของแกขุดแะลงไป ปรากฏว่ามีดลงอักษรของแกที่ได้รับตกทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษชนิดที่ตัดสายบัวขาดโดยไม่เหลือแม้แต่ใหญ่หักสะบั้นคาตาให้หินและตัวหนานไทยเองก็งายพึงสลบไปในทันทีเขาต้องเอาน้ำมนต์ที่แกทำใส่ขันเล็กๆเตรียมไว้ก่อนสาดตร์รถตัวแกแกจึงฟื้นขึ้นมาได้และผลจากการเพียรพยายามจะขุดดิน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 ที่วิชาอาคมเหนือกว่าแก่ก็ขอให้หาทางร่ําเรียนศึกษาถ่ายทอดวิชาการจากผู้รู้จริงและพยายามตัดเอาหัวพลายดำขึ้นมาให้ได้เถิและเมื่อได้ของอาถรรพ์สิ่งนี้มาแล้วมันจะเปรียบดังแก้วสารพัดนึกที่เขามีไว้ในมือสามารถจะบันดาลอะไรให้ได้ทั้งสิ้นดังใจคิดหลังจากนั้นอีกไม่นานนะ นานไพรก็ตายจากไปเป็นที่ประจักษ์ชัดกับตาของเขาว่าครูพรานขนาดนานไพรนั้นมีเวทมนต์คาถาอาคมแก่ก้าขนาดที่จะเรียกและตัดเหล็กไหลออกมาได้แต่ก็ยังไม่สามารถจะขุดหัวไพลดำได้เพราะอาคมและบารมีของแก่ยังไม่ถึงเดีย๋ยวว่าแต่จะตัดหัวไพลออกมาเลยแม้แต่ดินโคลนต้น ก็ขุดไม่ขึ้นซชแล้วพระพินไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องนี้อีกเลยหลังจากนั้นไพรได้ตายจากไปและต่อมาเมื่อเติบใหญ่กล้าแข็งขึ้นในเชิงไพรและเวทมนอาคคาถาทุกชนิดเท่าที่จะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้มาจากเหล่าคณาจารย์ซึ่งมีทั้งพระอนาคามีหรือสีชีไพรพระธุดงผู้แก่กล้าริบคราวา ผู้มียานวิเศษสุดแต่จะได้พบและได้รับวิชามาสะสมเพิ่มภูนไว้ในตัวระหว่างที่บุกบั่นซอกซอนไปในป่าดงพงพีทั่วทุกสารทิศเรียนรู้ในทางมนดำอันเป็นเดราชานวิชาทางไสยศาสตร์และมงคลวิชาอันมาจากพุทธานุภาพของอรหันตเจ้าก็หาได้เคยมีครูบาอาจารย์ท่านใดเปิดทางให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้ ในวิชาตัดหัวไพลดำเลยแม้แต่ท่านเดียวทุกท่านจะบอกก็แต่เพียงว่าถ้าพบเห็นก้ใหถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตและอย่าได้พยายามขุดขึ้นมาเป็นอันขาดและเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะแสวงหามาไว้เป็นสมบัติเช่นเดียวกับเหล็กไหลเช่นกันเพราะรังแต่จะก่อให้เกิดกิเลสเกิดความโลภไม่มีที่สิ้นสุด อันเป็นการทําลายขันติสมาธิซึ่งจะเป็นไปในทางเสื่อมทรามของการดําเนินชีวิตมากกว่าที่จะเจริญสูงส่งขึ้นเพราะบรรดาลาภสักการะในทางโลกยะนั้นเป็นอบายของผู้ที่จะสแสวงหาความสุขสงบแบบสันโดษระหว่างที่เราพิงย้อนระลึกไปถึงความหลังและยังสงบนิ่งอยู่นั้นบุญคาได้ใช้มีดประจําตัวของแก่ ทดลองกวาดกวาดถังถางและทิ่มลงไปยังบริเวณพื้นดำสนิทโคนต้นเสียงใบมีดของแกกระทบกับพื้นแข็งแกรง่งปรากฏเสียงกังวานใสกริง๊งนายนเห็นไม่นายพื้นนี่มันแข็งโปกเลยบุญคำไม่มีปัญญาขุดลงไปได้หรอกอ่ะแล้วนี่บุญคำคิดว่าฉันจะขุดได้งั้นเหรอ ก่อนนายมีวิชาเหนือก็บุญคำหลายขุมอะ่ะทำไมจะขุดไม่ได้ล่ะนายแกบอกมาอย่างกระหายอยากและมุ่งมั่นเต็มที่นี่บุญคำบุญคำลืมหลักธรรมประจําใจของเราไปเสียแล้วเรือไในข้อที่ว่าทรานป่าต้องไม่โลภถ้าโลภเมื่อไหร่ก็จะไม่มีอะไรคุ้มครองตนเมื่อนั้นไม่ว่าจะมีวิชาแก่กล้าสักแค่ไหนไงระพินพูดเรียบเรีย กระแสเสียงต่ําลึกฉุดแก่ขึ้นมายืนบุญคําชีวิตเราที่รอดภัยจากป่ามาได้โดยตลอดเนี่ยก็เพราะเรายึดถือหลักของธรรมประจําใจหรือสัจจกของพรานข้อนี้เลยเดีย๋ยวว่าแต่พลยดำที่บุญคํามาพบเห็นเขานี่เลยอะไรต่ออะไรอีกมากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนที่จะเป็นผลประโยชน์ทางโลกียสุขของชีวิตมนุษย์บัตรศ เราก็ผ่านพบกันมานานแล้วแต่ขุมแม่แต่ขุมทรัพย์เพชรพระอุ ม, มาเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับพลยดำกอนี้เลยบุญคำให้เขาอยู่หน้าที่ที่เขาควรอยู่เถอะอ้าวนายแล้วกันแต่เท่าเอามือโปะลงไปบนหัวอ้าปากครางยาวออกมารพินกล่าวต่อมาด้วยกระแสะเสียงเดิมของเขาว่า ถบุญคำคิดว่าต้องการจะได้พลาดำมาไว้เพื่อจะป้องกันตัวจากว่านผีปอบดงนั่นล่ะก็บุญคำโกหกฉันเพราะว่านผีปอบแค่นี้เองทั้งบุญคำและฉันก็พอจะเอามันไว้ได้อยู่ไม่ต้องมาอาศัยหัวพลยดำหรอกนึกเหรอว่าฉันจะไม่รู้ทันว่าบุญคำต้องการหัวพลายดำไปทําไมตัวเองนั้นไม่มีปัญญาจะตัดยังจะยืมมือฉันซะอีก บุญคำทำหน้าตื่นอย่างสนิดอ้าวนายทำไมนายไห้าาคำอยากจะได้ไปทำไมถ้าไม่ใช่เพราะจะเอาไปป้องกันตัวจากพูดผีเสนียดจันไรทุกชนิดก็ถ้าบุญคำนายได้พลาดำไว้ก่อนไอ้มันไรก็คงทำอะไรเราไม่ได้พรานใหญ่จ้องตาแกลึกมีประกายตำหนิและปรามอยู่ในที บุญคําสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่มีสรรพคุณสูงก็จริงนะแต่ถ้าบุญคํำได้ไปก็ยิ่งเพิ่มเสนีย์จันไรให้กับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกเพราะสันดานของบุญค้ำมันให้อยู่แล้วจเจาไปหุงด้วยอาคมทำน้ำมนต์ขึ้นใช่ไหมจะได้เอาไว้ทาเปลือกตาเวลาเล่นการพานันถั่วโปลูกเต๋าหรือไพ่กับใครจะได้เอาเปรียบโกงเขา มองทะลุไปเห็นแต้มที่ปิดครอบไว้หมดแทงถูกชนะทุกครั้งได้สินพนันมาหรือขนาดไม่มีอะไรเลยก็เอาไวทา้ทาตาแล้วมองทะลุเสื้อผ้าคนเข้าไปเห็นเนื้อในเขาหมดว่าขนาดรูปร่างสันฐานในที่ลับของเขาเป็นยังไงมัง่งคิดดูว่าจันไรแบบนี้ใช่ไหมจะเอาไว้ดูผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยบุญคาทาหน้าเจียมเจียมทันทีเอามือเกากระ บ, บานกรากราก วะนายกูรู้ทันไม่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากูจะขยับไปทางไหนไม่รู้จะอยู่เป็นบ่าวเป็นนายกันไปทําไมเอางี้ดีมะไหนๆก็เป็นบ่าวเป็นนายกันมานานแล้วนี่ขอดูวิชาหน่อยเถอะขุดหัวพลายดำให้บุญคำเห็นหน่อยแล้วรับรองว่าบุญคำจะไม่แตะต้องก็ได้ทิ้งไว้ที่นี่แหละถ้านายไม่ต้องการให้บุญคำเอาไปแต่อยากจะดูอ่ะ ก็านายพอจะมีอาคมขุดตัดได้ไหมระพินสันศีรษะช้าๆถ้าฉันบอกว่าขุดไม่ได้บุญคำก็คงไม่เชื่อหรอกเพราะฉะนั้นขอให้เลิกความคิดเนี่ยจะดีกว่าอย่าไปสนใจอะไรอีกปล่อยเขาอยู่อย่างสงบสงบอย่างนี้แหละอย่าไปรบกวนอะไรทั้งสิน้นก็ดีแล้วละ่ะที่พาไม่เห็นเป็นบุญตาเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะออกจากที่นี่ปุนคำก็ควรจะทำอะไรในสิ่งที่ถูกที่ควรเพื่อเป็นมงคลกับตัวเองนะมีทุกติดตัวมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีทำไมอ่ะนายแกบอกมาอุบอิบแล้วบ่นพึมอะไรที่เขาไม่ได้ยินก็จุดทุกขึ้นบูชาสักการะแล้วก็ขอกมากระเทศประจำไพลดำกอนี้ใช่ แล้วก็จุดเผื่อชั้นด้วยดอกหนึ่งนะบุญคำถอนใจเฮือกอย่างผิดหวังจำใจต้องล่วงทูบในย่ามหลังของแกซึ่งจะต้องมีติดประจำตัวอยู่เสมอออกมาสองดอกจุดไม่ขีดลนปลายทูบจนติดและสะบัดให้เปลวไฟที่ลุกอยู่ดับเหลือแต่ปลายติดไฟแดงและส่งควันกรุนส่งให้เขาดอกหนะึ่งตัวเองสุดตัวลงคุกเขา่า พนมไว้ในมือทำปากหมุกมิบหมุกมิบอยู่อึดใจเดียวก็ค่อยๆบันจงเสียบไว้ยังรอยแยกระแหงของพื้นดินดำที่แข็งเป็นหินนั้นห่างจากกอไพลดำออกมาราวสามเมตรระพินเมื่อได้รับทูบจากบุญคำํำก็ถอยห่างออกมาจนพ้นบริเวณแผ่นดินดำรอบโคนกอไพลนั้นแล้วลงนั่งขัดสมาดหลับตาลง จบทูปในมือพนมระหว่างอกดิ่งปราณิ่งภาวนาระมิตังเยนะนิพพานังรักขิตังโลกะสัมปทงังระชะัชโทสาธิกะเกละเสหิ ระหิตตะนตังนา ม, ามิหังพระองค์ทรงยินดีในพระนิพพานพระองค์ทรงรักษาโลกสมบัติไว้พระองค์ทรงเว้นจากกิเลสราคะโทศข้าขอนมัสการ ครบสามค้าก็ปรับทูบลงณที่อันควรแล้วยืนขึ้นรู้สึกเบาตัวปลอดโปร่งเป็นอย่างยิ่งตาทำยืนทำตาปริปริมองดูเขาอยู่ก่อนแล้วพอรพินหันกลับมาแกก็ถามว่านายนายภาวนาอะไรสอนบุญคำมั่งดิอย่าสนใจเลยบุญคำ ดีรชานวิชากมงคนวิชานะ่ะมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกเอาละเรามาลองดูกันลองอะไรล่ะนายก็วิทยุของบุญคำที่มันรับไม่ได้ส่งไม่ออกอะ่ะอะงัดขึ้นมาสิแล้วทดลองเรียกขึ้นไปที่นายฝรั่งมาดูกันว่ามันจะทํางานได้แล้วหรือยังฮะนายนี่แน่ใจถึงขนาดนั้นเชียวเอา ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สิตะคำก็ลองกันเดี๋ยวนี้เลยไงบุญคำมองเขาด้วยหางตาอย่างกวนเตะท่าทางไม่อยากเชื่อนักวิทยุที่ใส่ผ้าเข้ามาผูกรัดติดเอวอยู่ขึ้นมาเปิดสวิตต์กดคี้ตะโกนส่งเดทลงไปฮัลโหลฮัลโหลเลดี้อนเยนต์ตลแมนท่านเคยเป็นแบบนี้มั่งไหมปวดเอวปวดหลัง ปวดไหลปวดไปทั่วสันะพางจะกินจะนอนมันก็มีแต่ทรามานเบื่ออาหารและโลหิต จ, จางเบื่อไปหมดเบื่อไปแทบทุกอย่างเป็นทุกไม่สางร่างกายสูบเว r ร Much มแล้วแกก็คลายคียออกท่านใดนั้นเองเสียงเห้าๆเร็วปรือของดอกเตอร์สแตนลีย์ก็ดังสวนออกมาจากลำโพงว่า เฮ้ hey! นี่มันเสียงตะคำแกร้องเพลงอะไรไหมพวกเราฟังบุญคาบุญค ำ, ญคำอยู่ที่ไหนเนี่ยบุญคาแยกเขี้ยวหดคอลงเพราะเสียงของหัวหน้าคณะอเมริกันดังออกมาจากลำโพงกรอกรูหูแกก้องไปหมดแล้วกระซิบเบาๆชิบเพลงเลยนายพวกนั้นได้ยิงจริงๆนั่นแหละ อ, อือวิทยุเราใช้การได้แล้ว ปากนายในศักดิ์สิทธิ์ยังก็พระร่วงยังไงยังงั้นเลยระ บ, บินคงทำหน้าเฉยเรียบสนิทอยู่เช่นนั้นเสียงของสแตลลีย์ยังคงโวยวายเอ็ดอึงต่อมาว่าเขาจึงคว้าวิทยุจากมือของแกไปตอบเบาๆไม่มีอะไรหรอกครับดรกระคำแกะแอบๆอย่างนี้เองแกก็ร้องเพลงทะลึ่งไปตามเรื่องขอทราบว่าเกิดกระเซยขณะนี้กลับไปถึงเนินที่พักหรือยังครับ ทั้งสองกลับมาถึงแคมป์เรียบร้อยแล้วละ่ะคุณกระบุญคาอะ่ะกาลังทำอะไรอยู่นี่ใกล้จะหมดแสงตะวั น, นันทีแล้วนะคุณครับครับเราจะกลับขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละครับเลือกก่อนนะครับแล้วเขาก็ปิดสวิตส่งวิทยุคืนไปให้เห็นยังตะคำแต่เมื่อกี้ก็ลงมือขุดพื้นที่กอไพลนี่เมื่อไรก็ชักตาตั้งเหมือนนั้นแต่พอจุจดทูบไหว วิทยุของเราก็กลับมาใช้การได้ตามเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขุดเขาหรอกคืนนี้เขาจะคุ้มครองเราให้เองตามใจตามใจอยากได้ของดีมาเป็นสีกระตู๋สักหน่อยก็ขัดคอขัดขวางซะและ้วอยู่กับนายนี่ไม่ได้ไ ด, ด้ดีอะไรเลยมีแต่จนดักดานแล้วก็เสียงตายอยู่เรื่อยแ่บ่นของแกไปตามเรื่อง ไม่ได้มีความหมายอะไรในคำพูดแล้วรับผินก็ไม่ถือสาเอื้อมแขนมากอดคอแกไว้พาเดินออกจากบริเวณนั้นมาด้วยกันบุญคำเราอยู่กันอย่างสันโดษสงบสงเงียเ่ยมเตรียมตัวอย่างนี้นะดีแล้วนะพึงมีพึงได้ในสิ่งที่ควรมีควรได้เถอะอย่าไปเทะเยอทยานอะไรให้มันมากนักถ้ารอดตายกลับไปได้คราวนี้ บุญคำก็พอจะตั้งตัวได้แล้วน่ะในส่วนแบ่งของเงินค่าจ้างและบุญคำจะทิ้งฉันไปไหนก็จะไม่หน่วงเหนียวอีกแล้วล่ะจะตามใจบุญคำทุกอย่างก็เห็นใจอยู่ว่าได้รับใช้เหนื่อยยากร่วมเป็นร่วมตายกับฉันมานานเต็มทีแล้วต่อไปนี้จะให้เลือกทางเดินของตัวเองสัทีละอ่ะนายแล้วนายเองล่ะนายจะทํายังไงต่อไปถ้าเรากลับไปถึงบ้านน่ะ ฉันก็จะอยู่ตามประษาของฉันไปอย่างนี้แหละบุญคําฉันเกิดมาในป่าก็จะขอตายอยู่กับป่าที่แวดล้อมหนองน้ําแห้งนั่นแหละไอ้เงินที่ได้มาจากค่าจ้างส่วนหนึ่งก็จะแบ่งทําบุญสร้างโรงเรียนให้เด็กๆในหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้รักษาดูแลคุณแม่ของฉันซึ่งก็เป็นสิ่งเดียวที่ฉันเหลืออยู่ในโลกนี้นายน่ะเป็นคนมีกรตันอยู่สูงมีสัต จะเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นนายถึงได้คุ้มเทวดาถึงได้คุ้มตัวนายอยู่ตลอดไงบุญคําก็พูดไปงั้นเองนายก็อย่าถือสาอะไรเลยนายอยู่ที่ไหนบุญคําก็อยู่ที่นั่นและไม่คิดทิ้งนายไปที่ไหนหรอกว่าแต่ว่าแกเว้นไปครู่นึงแล้วถามเสียงแผ่วเบามาอีกว่านายจะไปหานายหญิงไหม ถากลับไปถึงบ้านแล้วนะ่ข้าวหน้าของสุภาพบุรุษไพรผู้อาภัพสลดลงอย่างเห็นได้ชัดบุญคำฉันหมดวาสนาสำหรับนายหญิงของบุญคำมานานแนละ้วนับตั้งแต่มีความจำเป็นจะต้องออกเดินทางเข้าป่ามานี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันได้ตายจากเธอไปแล้วเราอยู่กันคนละโลกแล้วล่ะบุญคา ก็แล้ ว, ว่านายตัดใจจากนายหญิงได้แล้วสิตัดใจอ่ะไม่ว่าชาตินหรชาติไหนบุญคาฉันไม่มีวันที่จะตัดใจจากนายหญิงของบุญคาไปได้หรอกไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้จําไว้ด้วยแล้วความรักของฉันก็ไม่จําเป็นจะต้องสมรักหรอกขอเพียงให้ฉันได้รักเธอเท่านั้นก็เป็นความสุขสุขเศร้าเศ้า ที่ฉันพอใจแล้วและฉันก็ไม่สนใจด้วยว่าเธอจะยังมีเยื่อใยฉันอยู่ไหมเพียงไรแค่ไหนแค่ขอให้ฉันได้มีความรักแน่วแน่ต่อเธอข้างเดียวก็พอนี่คือคำปฏิญาณของฉันที่เธอไม่จำเป็นจะต้องรับรู้บุญคำนิ่งซุมกระถือไปโดยไม่ปริปากคำใดอีกตลอดเวลาที่เดินบายหน้าย้อนกลับมายัางที่ตั้งของแทม ตะวันกำลังจะลับทุ่งอันเป็นลอนสูงสูงต่ําๆทางทิศตะวันตกอยู่รำไรแล้วแสงสุดท้ายแห่งทิวาการณนะสายันนีดูวังเวงเศร้าเหลือประมาณร่างของบุคคลทั้งสองเดินคู่กันไปกลางที่โล่งเบื้องหน้าเป็นเนินของที่พับเบื้องหลังคือดงไม้ซึ่งเป็นเงาปริศนาคลุมเครือทั้งคู่เดินไปเงียบเงียบ โดยไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยเหมือนกับว่าต่างเดินอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังคนเดียวฝากฟ้าด้านอื่นใดบัดนี้สัวมวมลลงหมดสิ้นแล้วคงมีแสงสัวจางๆอยู่ทางภาคอัดสดงคดเท่านั้นที่ฉายสีโรยราแ ต, แต่แต้มอยู่กระหมูเมฆก้อนใหญ่อากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยหัวบ้าทัศนภาพรอบด้านไม่ว่าจะเป็นหมู่เมฆเบื้องบนท้องทุ่งมอมากและกลุ่มโคดหินที่แวดล้อมอยู่ทั้งใกล้และไกลออกไปจะดูเป็นภาพของธรรมชาติอันวิจิตรการตาหรือมองเป็นภาพอันอ้าว้างวิเวกของโลกร้างซึ่งแฝงไว้ด้วยความน่าพรั่นใจได้ทั้งสองใน และบัตรนั้นในจิตประสาทส่วนเรนลึกของระพินก็แววสำเนียงเสียงเพียดนามอักขนิรุธอักขนิรุธอักนิรุตเสียงนั้นชัดเจนมาจากสุดขอบฟ้าด้านหลังของเขาเป็นการสดับได้ยินอยู่เพียงลำพังคนเดียวนั่น คือจิตใต้สำนึกของตนเองที่ติดตามมาหลอกหลอนอยู่ทุกโอกาสที um. ่ได้ช่องเหมาะแต่แม้จะปร่งใจเชื่อแล้วเช hmm. ่นนั้นระพินก็ไม่วายที่จะขนลุกชันขึ้นทั้งกายสบัดร้อนสบัดหนาวยังไงสุดที่จะบรรยายได้เมื่อระพินกับคนคู่ใจของเขาเดินย้อนกลับขึ้นมาถึงเนินที่วางแคม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 โดยล้อมวงกองไฟย่างเนื้อโดยไม่มีการแบ่งฝ่ายลูกจ้างหรือนายจ้างรวมทั้งลูกหาบทุกคนด้วยสถานการณ์มันทําให้ต่างฝ่ายต่างต้องลอล้อมชีวิตเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วอย่างเลี่ยงไม่ได้ตามการเวลาและสภาวะจําเป็นบีบบังคับรอบด้านไม่มีใครทางฝ่ายอเมริกันทราบเพาวิทยุมือถือของรพิน์และบุญคําเกิดอาการใบ้ ขึ้นมาชั่วขณะระหว่างที่อยู่ในดงไม้ประหลาดเพราะระยะเวลานั้นคงไม่มีใครลงเรียกลงไปนั่นเองแล้วพรานใหญ่ก็ไม่ได้กระตุกกระตากใดๆให้เป็นปัญหาเขาถือหลักปฏิบัติเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วสำหรับฝ่ายนายจ้างหรือแม้แต่ลูกน้องบริวารของเขาอะไรที่มันเกิดวิกลวิการขึ้นในระหว่างการรอนแรมอยู่กาลางไพรเถื่อน ถ้าแม้ว่าคนร่วมคณะไม่ทันจะสัมเนียกจับสิ่งผิดปกตินั้นๆได้ก็จะเก็บงาเงียบเฉยไว้ซะโดยให้มันผ่านๆไปไม่ต้องให้พลอยรับรู้ด้วยเพราะรังแต่จะเกิดระสําราในขวัญและอารมณ์อะไรที่จะแก้ไขขจัดปัดเป่าได้ตามลำพังคนเดียวก็จะลงมือกระทำไปเงียบๆสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ใหญ่นี้ เขาก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องสลักสําคัญอะไรนะักมันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเป็นยังไงในความรู้สึกของผมอะน่าจะมนะีบางสิ่งบางอย่างน่าสนใจสําหรับคุณละบุญคํามากพอสมควรนะในดงไม้ข้างล่างนวลเห็นลงไปง่วนกันอยู่ที่นั่นนานนี่สเตลลี่ชวนคุยขึ้นอย่างคนที่คอยจับสังเกตท่าทีเขาอยู่ตลอดเวลา ชนิดไม่ยอมให้มีอะไรผ่านพ้นสายตาไปได้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจที่นั่นหรอครับดรนอกจากแหล่งน้ำที่ไม่น่าจะไว้ใจในด้านอาศัยดื่มกินอะรพินตอบด้วยน้ำเสียงปกติธรรมดาที่สุดบุญคำเองก็หน้าตายสนิทอ่ะแล้วทำไมถึงได้กลับกันขึ้นมาชานักล่ะไปมัวโอเออะไรกันอยู่ที่นั่นนะคิดถามมา ก็ไม่ได้โอเอเสียเวลาอะไรมากนักนี่ก็กลับมาทันเวลาอาหารเย็นพอดีแล้วทางนี้วิทยุเครื่องใหญ่ของนายอะหวังว่ายังคงใช้ไม่ได้ตามเดิมนะหรือว่าไงเขาย้อนถามไปบ้างเปลี่ยนเรื่องใช่คิดเบะปากเออมัองคงทางเรียบร้อยไปแล้วมั้งฉันก็อยากจะโยนมันทิ้งซะดูแลรู้รอดคนของเราจะได้ไม่ต้องมาแบกเป็นภา ร, ระหนักอยู่ ห อ, อผิวไปด้วยก็ไม่ช่วยประโยชน์โพดผลอะไรขึ้นมาเลยอย่าเพิ่งทิ้งแล้วก็ยังทิ้งไม่ได้ด้วยระพินพูดมาเสียงหนักแน่นมันจะต้องมีโอกาสใช้งานขึ้นมาได้อีกไม่เวลาใดก็เวลาหนึง่งแต่ไม่ก่อนหน้าที่เราจะค้นพบซากตกของเครื่องบินบีห้าสิบสองเครื่องนั้นแล้วก็ในเวลานั้นมันจะช่วยพวกนายเป็นอย่างมากในเที่ยวขากลับถ้าหากเรามีโอกาสที่จะได้กลับ ทุกคนฝ่ายนายจ้างมองมาที่เขาตาขมิ่งนี่อะไรทำให้คุณเชื่อและพูดออกมาได้ถึงเช่นนี้เนี่ยระพินอเมริกันอาวุโสถามมาเสียงต่ำๆดอกเตอร์ครับผมมีประสาทสัมผัสที่หกนะครับเชื่อผมเถอะหรือเราจะมาพนันกันก็ได้วิทยุของพวกคุณไม่ได้เสียหรือชำรุด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 ผู้นั่งแทะเนื้อย่างอยู่เงียบๆส่อนทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบมิชิดอยู่ภายใต้อาการแข็งแกร่งเยียบเย็นและวางเฉยยามเมื่ออยู่รวมกลุ่มกันมา ก, มากๆคนหรือยามที่หล่อนตั้งสติเป็นตัวของตัวเองได้เช่นขณะนี้อืมคริสเบล่ะเรียบร้อยดีแค่ไหนก็คิดว่าไม่มีอะไรน่าห่วงในอาการเนี่ยนะเดี๋ถ้าเป็นไปได้ ฉันก็อยากให้เขาหลับรวดเดียวจนถึงรุ่งเช้าไปเลยโดยไม่มีอะไรไปรบกวนเรื่องอาหารสำหรับเขาในคืนนี้ไม่จำเป็นจอมพรานพยักหน้าทางนั้นตอนดึกน้ำเกลือหมดแล้วก็ไม่ต้องปลุกขึ้นมาว่าแต่พรุ่งนี้เอาไงก็ถ้าจะให้พักอย่างเต็มที่พรุ่งนี้เบงจะแข็งแรงดีกว่าวันนี้นะแล้วก็ควรจะดีขึ้นเป็นลำดับ ทีนี้เป็นคำถามของฉันมั่งละถ้าคุณจะตอบได้เชิญครับฉันอยากจะรู้ว่าคืนนี้พวกเราจะได้พักกันอย่างปกติสุขหรือไม่เพียงไรแค่ไหนคริสครับพระผู้เป็นเจ้าหรือสวรรค์ควรจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้มีเวลาพักผ่อนกันมั่งนะจากเหตุการณ์หนักๆที่ติดต่อกันมาหลายวันแล้วเนี่ย ชันว่าคุณตอบไม่ตรงคำถามนะแล้วก็ดูไม่ค่อยจะใกล้คำรับรองอะไรนักด้วยหล่อนติง ม, มาก็ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรงอะนะคริสที่เราจะต้องทำให้เราต้องตาลีตะเหลือกเพ่นกงนขึ้นมากลางดึกสำหรับคืนนี้ขอเพียงทุกคนอย่าออกนอกบริเวณแคมป์ที่พักถ้าหากมีภารกิจส่วนตัวที่จะต้องออกนอกบริเวณแม้จะเห็นว่าเป็นระยะเพียงใกล้ ก็ขอความการุณาแจ้งให้ผมรู้ด้วยจะได้ออกไปเป็นเพื่อนแล้วก็ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นแม้แต่คนของผมเองผมก็จะสั่งเขาว่าระพินที่จริงเราก็ปฏิบัติตามที่คุณสั่งและแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคุณก็คงเห็นว่าทุกคนทุกแห่งในนรกดำนี่ภายหลังตะวันตกดินไปแล้วพวกเราคนใดังไม่กล้าฝ่าฝืนคาสั่งคุณ ในกรณีที่ออกนอกบริเวณไปตามลำพังสักครั้งเอาเป็นว่าขอถามไม่ตรงจุดเลยนะระพินคุณยังระแวงริฟเดทของเจ้าผีดิบมันไตรอยู่ใช่ไหมสแตนลีย์เป็นคนพูดขึ้นดรครับผมจะไม่ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคืนนี้จะเป็นคืนพิสูจน์ครั้งสุดท้ายถ้าไม่มีวิแววอะไรจากมันไตรอีกเลย ก็เชื่อได้ครับว่าเราหยุดมันไว้ได้แล้วจากงานที่เราได้ทำกันตลอดทั้งวันนี้เรียกได้ว่าผ่านพ้นอุปรสรรคสาคัญไปได้หนึ่งเปลาะที่คอยสกัดกัน้นรังควานและทำให้เราต้องเสียเวลาอยู่นานขูเราก็จะไม่เสียเวลากับมันอีกละโดยจะพยายามผลักหนีออกไปให้พ้นรัศมีที่มันตามราวีได้เค็ดดนในนรกดำที่ลึกเข้าไปอีกนั้น จะเป็นแดนที่แม้แต่อำนาจของมันไรไม่ว่าจะมีอิทธิฤทธิสักเพียงใดก็ไม่สามารถจะก้าวไกลาติดตามเข้าไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมีขอบเขตของมันครับเชบิดบุตรเพียงคนเดียวที่นั่งร่วมวงกินอาหารและสนทนาอยู่ด้วยแต่ไม่ได้ปริปากคําใดเลยนอกจากสะดับฟังอยู่เงียบๆอาการของนายทหารหนุ่ม อิดโรยกระป ก, กระเปียผิดไปจากทุกวันรับประทานอาหารเสร็จระพินรงก็เข้าไปหยุดยืนดูร่างอันนอนเหยียดยาวดวงตาปิดสนิทของเบลสังเกตไปยังถุงน้ำเกลือที่แขวนอยู่ซึ่งพร่องไปเพียงเล็กน้อยโดยอัตราการหยดอย่างช้าๆสม่ำเสมอคริสติน่าเดินตามเขามายืนดูเขาอยู่ด้วยอีกด้านหนึ่งคุณ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งอันชั่วร้ายที่จะเข้ามาสิงสู่หรือทำอันตรายจิตวิญญาณอันอยู่ในภาวะอ่อนแอของเบนในขณะนี้ที่หมดสติไม่รู้สึกตัวนหล่อนพูดมาด้วยเสียงกระซิบฟังไม่ออกว่าท้าทายหรือเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาระพินเบนสายตาไปที่คริสติน่าในแนวตรงนี่คุณ คุณเห็นผมเป็นพ่อมดหมอผีในแอฟริกาไปแล้วไงรัพินนอกจากความสามารถในเชิงพรานแล้วฉันรู้นะรู้ว่าคุณเป็นผู้ชำนาญในทางไสยศาสตร์มนต์ดำอีกด้วยเว้นแต่คุณจะปฏิเสธหรือปกปิดนี่คุณเชื่อในสิ่งเหล่านี้ด้วยเหรอคริสรัพินแม้ว่าฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จริงนะ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 มายืนประจั์กันในเงามืดสองต่อสองคริสเบนแม้จะอ่อนแอทางสรีระและดวงจิตกว่าคุณก็จริงนะแต่ดวงของเบนเขาแข็งมากผมรับรองได้ว่าตลอดเส้นทางเดินท้าทายมฤตยูนี่เธอจะยังไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่สำหรับคุณผมยังไม่แน่ใจนัก คนที่แก่งกล้าแข็งแรงที่สุดน่ะอาจจะพลาดพลั้งเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยู่ในระหว่างโชคร้ายหรือดวงดาวประจําชีวิตเข้าสู่มุมอับเอาเป็นว่าถ้าคุณเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผมโดยไม่เสียแ้งหรือมีอคติใดๆคุณจะยอมรับอะไรจากผมด้วยความเต็งใจสักอย่างหนึ่งได้ไหมเพื่อเห็นแก่สวัสดิภาพความปลอดภัยของตัวคุณเองภายในคืนนี้รวมทั้งคืนต่อๆไปด้วย แล้วต้องไม่ถามให้มากเรื่องไปด้วยว่าสิ่งที่ผมมอบให้นี่คืออะไรผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายในเงามืดนั้นดวงตาของคริสตินา่าดูเหมือนจะเปล่งประกายขึ้นมาระพินฉันยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะมอบให้มาด้วยความเต็มใจและศรัท ธ, ธายิ่งสุภาพบุรุษไพรล้วงกระเป๋าเสื้อทางด้านซ้าย หยิบสิ่งหนึ่งออกมาลักษณะเป็นท่อนเล็กๆยาวประมาณองคูรีเดียวพันหนาแน่นไว้ด้วยสายสินโดยมีเส้นได้มงคลร้อยเป็นสายยาวประมาณสองคืบเศษออกคำสั่งสั้นๆคุกเข่าลงคริสติน่าซึดตัวคุกเข่าอยู่ตรงหน้าอย่างสงบโดยดีพรานใหญ่กลั้นใจภาวนา ขณะเดียวกันก็ค่อยๆบรรจงสวมสิ่งนั้นผ่านศีรษะของหล่อนลงไปคล้องคอให้แล้วตกเบาๆลงไปที่เส้นผมสีทองของร่างที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าวางมือกดติดอยู่กับศีรษะของหล่อนแมมสาวขนลุกโชนชันขึ้นทั้งกายร่างสั่นเทิมไปหมดหล่อนมีความรู้สึกร้อนไปหมดทุกปลายเส้นประสาท ยิ่งกว่าดื่มเหล้าอันมีดีกรีร้อนแรงความหนาวเย็นอย่างประหลาดที่จับดวงจิตมาตลอดเวลานับแต่ตะ ว, วันตกดินวันนี้สลายไปหมดสิน้นหัวใจเต้นแรงวูบว่าไปหมดเลือดฉีดพลานจากหนังสีสษะไปจรดปลายเทา้าในขณะที่เขายังกดฝ่ามือนิ่งอยู่บนสีสระและแล้วอึดใจหนึ่งระพินก็ยกมือออก คว้าต้นแขนทั้งสองของหลอนพยุงให้กลับขึ้นมายืนตามเดิมกล่าวเสียงลึกต่อมาว่าคริสครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเมื่อไร่ที่ไหนตลอดเส้นทางนี้จําไว้นะครับอย่าให้สิ่งนี้หลุดจากคอคุณเป็นนันขาดจะไม่มีสิ่งที่เลวร้ายทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น เข้ามากล้ามกลายเป็นอันตรายใดๆต่อคุณได้เลยรักษาตัวไว้ดีเมื่อพ้นจากภารกิจนี้ไปแล้วคุณจะยังคงเก็บไว้จะคืนให้ผมหรือจะถอดอกโยนทิ้งก็สุดแล้วแต่คุณครับระพินคุณคุณมหัศจรรชย์ยิ่งกว่าพระเจ้าเสอีกคริสติน่าอุทานและล่ำาละลัก ความปีติปลาปลื้มโสมนัสท่วมทนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตระพินฉันฉันรู้สึกฉันสัมผัสได้อย่างเด่นชัดในสิ่งที่คุณมอบให้ฉันเนี่ยเป็นสิ่งมงคลสูงค่าและเต็มไปด้วยอนุภาพยิ่งใหญ่เหลือเกินฉันเพิ่งจะแน่ใจเดี๋ยวนี้เองนะว่าคุณมีความเมตตาปรานีฉัน มีความปรารถนาดีต่อฉันอย่างแท้จริงคุณคุณเปรียบเสมือนพระเจ้าของฉันอะระพินเขาสันสีสะเช่มช้ายังคงจับต้นแขนทั้งสองของหล่อนแน่นกระชับอยู่เช่นนั้นคริสครับผมไม่ใช่พระเจ้าของคุณหรอกแต่ผมเป็นมิตรที่ปรารถนาดีต่อคุณนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามที่คุณเข้าใจครับ และจำไว้ด้วยนะว่าผมไม่ใช่พ่อมดหมอผีแต่ผมเป็นผู้ที่มีทั้งศีลและสัจจกอันจะก่อให้เกิดพลังและอำนาจในสิ่งที่อยู่ในคันลองอันถูกต้องชอบธรรมสิ่งที่มอบให้แกคุณไปไม่ใช่เกิดจากมนมืยแต่เป็นสิ่งอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามสะอาดและสวา่างฉัน ทำยังไงมั่งล่ะต่อสิ่งเนี้ระพินหลอนถามมาอย่างกระตือรือร้นไม่ต้องทำอะไรหรอกคริสนอกจากประพฤติชอบปฏิบัติชอบเท่านั้นแหละคุณรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วแยกมันให้ถูกแล้วจงเลือกกระทำแต่ความดีมันก็เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับคำสั่งสอนในาศาสนาของคุณแหละ และสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความเป็นมงคลกับชีวิตของคุณไม่มีสิ่งชั่วร้ายหรือผีหาซาตานใดๆเข้ามาใกล้ชิดคุณได้เลยจำไว้แล้วต่อไปนี้ระหว่างเราทั้งสองจงมีแต่ความเป็นมิตรแท้ต่อกันเป็นน้องสาวกับพี่ชายเป็นสิทธิ์กับครูไม่มีอะไรนอกเหนือล้าเกินไปกว่านั้นเข้าใจไหมครับ ริสตีน่ายิ้มทั้งน้ําตาโผเข้ามากอดเขาไว้ซบหน้าลงกันไหลตอบเสียงแจ่มใสชัดเจนค่ะค่ระพินฉันฉันเข้าใจฉันเพิ่งจะมาได้เข้าใจและสว่างในคืนนี้เองคุณคือพี่ชายของฉันคือครูคืออาจารย์ของฉันฉันจะไม่คิดลามพามเลื่อนเปื้อนในทางเล่กลเพื่อหวังจะหลอกล่อใดๆกับคุณอีกแล้วล่ะ ขอให้สัญญาฉันร้ายกาดมามากแล้วต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีสัทีสัญญาสัญญาค่ะระพินระพินกอดตอบหล่อนตกหลังเบาๆแล้วจับไหล่ดันให้ห่างออกไปสั่งอย่างเป็นงานเป็นการแต่อ่อนโยนมาวะ่ะกลับเข้าไปได้แล้วครับน้องสาวแล้วก็ดูแลเบนให้ดีด้วยนะสำหรับคืนนี้ ผมต้องการให้เธอกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงดีเหมือนเดิมเะโดยเร็วเพื่อจะได้เดินทางสะดวกขึ้นโดยไม่เสียเวลาสิ่งที่จะสั่งก็คือคือนนี้ถ้าเห็นหรือได้ยินเสียงประหลาดอะไรก็อย่าวันไหวนอนดูหรือฟังไปเฉยเฉยไม่ต้องตกใจหรือทำอะไรทั้งนั้นแหละผมจะนอนอยู่ ใ, ใกล้ๆพวกคุณถ้ายังไงปลุกก็แล้วกัน หากผมยังไม่รู้สึกตัวในกรณีที่เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นแต่รับรองได้ครับว่าจะไม่มีอะไรเข้ามาในแคมป์ของเราได้เลยเอาละครับกลับไปได้แล้วคริสตินา่าซึ่งบัดนี้ทั้งสายตาและอาการเปลี่ยนไปชนิดเป็นคนละคนเดินก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวแล้วหยุดชะงักนิดหนึ่ง คืนนี้มันเย็นวงเวียนยังไงชอบกล น, นะมันเย็นเยือกกว่าตอนที่เราพักแรมกันอยู่หน้าสุสานโบราณนั่นจะอีกเพียงแต่ฉันฉันไม่กล้าพูดเท่านั้นแหละครับใช่ครับบรรยากาศมันไม่ค่อยจะเข้าท่านะครับแต่ไม่มีอะไรหรอกเชื่ อ, อนี่ยังกลัวอยู่หรือเปล่าล่ะครับหลอนสั่นศรีศักยิ้มให้ตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่หวั่นไหวอะไรอีกล่ะ ดีมากครับดีมากถ้ากลัวก็ไม่ใช่น้องสาวหรือลูกศิษย์ของรพินไัยวันสิไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับต่อไปนี้กลัวอย่างเดียวครับกลัวความชั่วยังอื่นในร่างกายจะไม่อายก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ละอายต่อบาปเท่านั้นพอถึงไหนถึงกันพระเจ้าจะยืนอยู่ข้างคุณเสมอแล้วครับคริสคริสติน่าหมุนตัวตอบ เดินเข้าไปในบริเวณแคมป์อย่างว่างง่ายเป็นครั้งแรกทันทีที่รับร่างของหลอนเงาผมผอมเล็กๆของใครคนหนึ่งก็โผล่มาจากซอกหินอีกด้านเด็ดแท้แทนายกูไหนที่สุดก็สะกดแม่เสือสมิงนั่นจะอยู่หมัดหมอราบขับแก้วไปเลย ต่อไปนี้แม่เจ้าพระคุณคงไม่คิดปล้ำเอาไปทำผุอีกแล้วนี้เห็นซิโรรากราบกรานพระอาจารย์ตัวสันเป็นเจ้าข่าวถ้าทำให้แมมคริสเลิกจ้องตะครุบนายจะได้เมื่อไรนายก็หมดเคราะหไปอีกยกนึงแล้วฮ <laughs> กลับไปบ้านคราวนี้บวชเชตเตอร์คงได้อรหันแน่ๆละนายก็คิดจะบวชอยู่เหมือนกันถ้ารอดตายกลับไปได้ระพินตอบมาเสียงเรียบ ไม่รู้สึกประหลาดใจอะไรที่จู่ๆตาคำก็โผลกมาจากมุมมืดนั่นเพราะคุ้นเคยใช่แล้วอิตานีแกทาหน้าที่เป็นแมวมองคอยสอดส่องความประพฤติของเขาอยู่ตลอดเวลาอยากจะเตะซะจนไม่อยากแล้วบุญคำย่องเข้ามาใกล้เริ่มต่อว่าทันทีนายนะนายที่แมมคริสแล้วก็ให้ของดีไปได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นฝรั่งมังค่าที่ไอ้คามารับใช้มันนาน เพียนขอมันนักตอนนักไม่เคยให้อะไรเลยนอกจากลูกทีบเอาเรามันมีดีเกินตัวอยู่แล้วนี่จะเสือมาขออะไรแล้วนอกจากลูกทีบเอ๊ะแล้วเราจะรักกันได้ยังไงนายมานี่มานี่มาช่วยกันขีดเส้นกำหนดปริมณฑลจำกับเส้นทั้งหมดทั้งสิบสองทิศถึงยังไงก็ประมาทไม่ได้นะตะคำ เอาวั็นว่าคืนนีน้บุญคำเล่นไปฉีอวดรถตีนของอวดของดีแบบนี้อ้อสมัยแงซ้ายน่ะยังไม่สับประดินอุบาทถึงอย่างนั้นแสไม่เข้าเรื่องเราอ่ะ <c oughs> บุญคำหัวเราะร่วนแล้วเดินตามเข้าไปทันทีเพื่อทำพิธีวางรั้วอาคมป้องกันพูดพรายวิญญาณร้ายทั้งปวงไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาภายในบริเวณปางพักได้ เสร็จสับภายในระยะเวลาไม่นานจากนั้นทั้งสองก็กลับเข้ามาในบริเวณอีกครั้งรพินบอกให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างพร้อมทั้งลูกหาบของเขาเข้าพักนอนในที่ของตนทันทีทุกคนก็อยากจะพักผ่อนอยู่แล้วเพราะอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งนั้นเชิดบุตรน่ะแอบหลับไปก่อนใครทั้งสิ้นในฝ่ายของนายจ้างส่วนสแตนลีย์แอบส่วนสแตนลีย์ก่อนจะเอนกายลงก็ถามเขาว่า คุณล่ะระพินยังไม่นอนเ่ะผมยังมีธุระอีกนิดหน่อยครับด็อกเตอร์เชิญตามสบายเถอไม่ต้องห่วงแล้วก็ขอให้หลับสบายกันทุกคนนะครับเชิญครับ